รมเพื่อให้เป็นส่วนประกอบการใช้ชีวิตมีเพลนที่มีจะเปรียบวินัยการใช้ชีวิตให้กายให้ใจเดินไปตามเส้นตามทางดีมั่นใจมั่นใจ มีหลักปฏิปัติบอกผิดบอกถูกต่อใช้ต่อ ก, การใช้ชีวิตของพวกเรานี่แล้วก็มั่นใจภูมิใจที่มีกายมีใจเอามาทำความดีเอามาะความชั่วด้สําเร็จ มาอย่างไงก็มาอะไรกปเกิดขึ้นที่กายที่ใจมั่นใจในธรรมในการกระทำตามหลักคำสอนของพระพุทธเจ้ามันหลงก็ไม่หลงให้รู้สึกตัว อะไรที่เกิดกับ้ากับใจเอามาเป็นความรู้สึกตัวทั้งหมดมันจะมีอะไรมากมายเกิดขึ้นกับ้ากับใจเอามาเป็นความรู้สึกตัวมาเปลี่ยนให้รู้สึกตัวไปอย่างนี้เรียกว่าวิายัยจิงจะ ได้ทําความดีได้ละความชั่วดังที่เราตรวจนำเราได้ทําบนญไว้ก่อนแล้วทําดีไว้ก่อนแล้วเราได้ทําดีในปัจจุบันนี้มันก็มีดีจริงๆเราได้ทํากับกายกับใจของเราจริงจริง ไม่มีอะไรที่ทำให้กายใจไปทำชั่วทาผิดในโลกนี้เม็ดตินเม็ดหินเม็ดทรายต้นไม้อากาศสัตว์สารสิ่งเราไม่เบียดเบียนอะไรนอกจากเราไม่เบียดเบียนตัวเราแล้วเราก็ไม่เบียดเบียนอันอื่นสิ่งอื่งวัตถุอื่นมานานแล้วหลายวันแล้ว ละปัจจุบันนี้และอนาคตด้วยมั่นใจจะไม่เบียดเบียนตนให้เป็นทุกข์ทำให้ตนเองเป็นทุกข์แน่นอนจะไม่ทำคนอื่นสิ่งอื่นให้เป็นทุกข์แน่นอนมั่นใจตรง น, นี้ทุกชีวิตทำได้ทุกชีวิตในโลกนี้ให้ใช้ชีวิต ไปในโลกแบบนี้ให้โลกมันจะมีอะไรเกิดขึ้นก็รู้สึกตัวได้ทุกกรณีมาดูตัวเองได้ทุกโอกาสข้อก า, กายก็อยู่นี่ใจก็อยู่นี่สติก็อยู่นี่วิธีปฏิบัติต่อกายก็อยู่ที่นี่วิธีปฏิบัติต่อจิตใจก็อยู่ที่นี่ วิธีปฏิบัติต่อสิ่งอื่นให้ถูกต้องก็อยู่ที่นี่ไม่มีอะไรจะมั่นใจเท่ากับการใช้ชีวิตของเราทุกวินาทีทุกทุกวินาทีเรื่องอะไรจะเกิดขึ้นในตัวนอกตัวเราไม่หลักอยู่อย่างนี้เราไม่ปฏิเสธ สิ่งที่เกิดขึ้นจากตัวเราก็มีจากสิ่งอื่นก็มีคนอื่นก็มีแต่สิ่งที่ถูกต้องมีอยู่ในตัวเราและสิ่งอื่นวัตถุอื่นมีอยู่เราจะทำความถูกต้องทุกกรณีอย่างนี้ถ้าพูดถึงสมัยข้าวเจ้าปัญหาคงจะมากกว่าเราในปัจจุบันนี้ เพราะว่าแยกขึ้นมาในโลก <c oughs> เป็นคนเลกไม่มีแนวร่วมเหมือนพวกเราไมนนแบบ่แต่คนละแบบไปคนละทางทั้งแต่พระเจ้าปู่พระเจ้ายาติพระตาพระเจ้ายายไปหูญาติยังไม่เห็นด้วยเลย ที่มาโกนผมบวชไม่เห็นด้วยเป็นบินทบาทพระเจ้าสโตทนาก็เสียใจลองห้ไม่เห็นด้วยบบโนยไ น, ยนไม่กลับบ้านตั้งหลายปี เขาล่อมลือของผู้คนก็เกิดขึ้นว่าโอรสของพระเจ้าสุโตธนระสิทธัตถะออกวดได้สอนผู้สอนคนเมืองนน้นเมืองนี้จึงได้ยินชื่อเสียงจิตศพ์จึงค่อยๆอ่ อ, อนลงมา ให้อบามาดมานี่วนศีรษา ก, กับกมิลภัทบ้างก็ยังไม่ไปจนถึงกับห้าคนหกคนเกดคนกัลุทายีคนสุดท้ายอบมาดที่ในพระราชวังใช่ไหม การุ้ายีใช่ไหมถ้าไม่ถูกก็ขอไปนะมันจบมาการุ้ทายีก็กราบทูลทนเจ้าส ต, ตุโนะขันอสาจะไปนิ ม, มนต์มาให้ได้จะต้องลาลาบวชเดี๋ยวนี้ไปแล้วก็ขอบวช ลาไปและพขอลาบวช ด, ด้วยเจ้าโททราก็ตกลงให้บวชแล้วก็ไปถึงพระปิเจ้าก็ลาบวชมาแล้วก็ขอกก็บวชก็้คอยโน้มน่าวเ้าถึงพระเจ้าสุโตสนะพระเจ้าผู่พระเจ้าย่าจิถึง ปันหาถึงบุญคุณของอิรานดาอย่างนั่นจากนี้เอาถึงความทุกข์ความอะไรความคิดถึงอาสิทธะอย่างพระาหุนสนุกกำนันหน่อยเคยอบปบุญเคยอยู่ด้วยกันทุกคนเราก็กล่าวไปโวอนวอนไปริชุนก็ไปได้ เสด็จไปสู่กับเป็นลพภัสก็ราบเรียบลงมาแล้วต่อมาก็มาปวดแลหุนก็เสียใจอีกมาปวดนันทก็เสียใจอีกมาปวดอานุรุธะก็เสียใจอีกมาปวดจษสะก็เสียใจอีก หวังว่าให้หลานให้เหรนหมู่นี้สืบสกุลพระนุท ธ, ธาตเป็นพระประช์แล้วยังก็มาววดก็เสียใจอีกแล้วไม่รู้จะเพิ่งใครผู้ ด, ดำรงตระกูลเนี่ยก็เป็นทุกข์แบบนั้นก็อ่อนรอนพระพุทธเจ้าเฮ้ จะบวชลูกหลานใครให้ขอเนื่อจากข้อจากแม่เขาเสียก่อนแต่ลูกเอ้ยสเสด็จลูกสเสด็จทูตเจ้ารู้สึกเป็นทุกข์มากราหวนบวชก็เป็นทุกข์ไม่มีที่พึ่งนันเทาบวชก็เป็นทุกข์น้องชายบวช หวังพึ่งนั้นทาก็ เ, าเป็นทุกข์อดดนุท่าบวชอนนบวชบวชเต่แล้วคนอื่นในเป็นทุกข์เหมือนกันกันกบเสด็จพ่อเดียและขอรองจะบวชลูกบวชหลานคนอื่นโดยไม่อริยาจากพ่อจากแม่เขาเขาจะเป็นทุกข์ายอย่างที่ทำให้เกิด กระทบกระเทือนสวนทางกับผู้คนเจ้ารถทธ่ต่างๆจนที่สุดเจ้าก็อรับเรื่องพระเจ้าโสธนะทูลมาเป็นระเบียบการอวดของพระอนุญาโตสิมาตาปิทุหิถามเจ้านาที่นี่ก็ยจะมีอวด อนุญาโตชิมาตาปุหิมานดาบิดาอนุญาตหรื อ, อยังเจ้าหน้าก็ตอบว่าอามะปันเตอนุญาตมาแล้วจึงบวชให้ถ้าใครบอกว่าพ่อแม่ยังไม่อนุญาตก็ไม่บวชให้เลยปฏิบัติเป็นขีเป็นเช่นเป็นระเบียบวินัยให้เราได้ปฏิบัติตามมาเท่าทุกวันนี้นอกจาก ถึงคิดฝังพึ่งไม่สมหวังก็มีบัญหาลับเยอะแยะไหวมาแล้วที่เล่าชีเหาก็มีที่หามบกมาวัดก็มีที่สีนี้ทีาดก็มีเยอะแยะเพราะต้นโต น, ตนไม่มีระเบียบปฏิบัติยึงเหมือนจัดสิกขาบทสิกขาบทข้อนั่นข้อนี้ขึ้นมาเพื่อให้เป็นระเบียบเป็นปฏิบัติเป็นอันเดียวกัน ก็ง่ายขึ้นมาทุกอย่างที่มีความผิดบัญญัติให้ไม่ปฏิบัติตามก็อยู่มาด้วยความปาสุาาลความเผยแผ่ศาสนาก็จะโล้นขึ้นมาแม้ถึงพวกเราทุกวันนี้มีระเบียบที่ไหนที่ปฏิบัติและมีกำว่าฐนที่เป็นรูปแบบที่เป็นขีดเป็นเส้นเป็นตูน้นเป็นตอเรียกว่าพระธรรมพระวินัย แน่นหนาก็ไปอีกก็มีจธามีพุทธวิจรเกิดขึ้นมาแต่ก่อนไม่มีลำพังพระองค์เดียวทริว่าใช่กรลำบากทุกวันนี้อาติลีกระโาภูแต่ก่อนไม่มีอาติลีกระลาภูที่วอนก็หาเอง อาหารการกินก็หายเองที่อวัยใสก็โขนม้าบ้างเรื่อนบ้างบ้างท่ำบ้างเพลงบ้างตู่บ้างยารักษาโรคก็น้า ม, มูดเน่าน้าปัจจวะต้องเอืเอาน้าปัจจวะดองสมองขามป้อม ยินทังเนื้อทั้งน้ำมีดบากถูก6กช่อมดำเขียวมีดบาดเลือตออก้ามเลือดน้ำปัสสาวะแก้บาดยักได้เห็นขนลงมขนตกจุกแน่นน้ำปัสสบวะกอกปากขืนมาได้ ปวดันก็อมน้ำปัสสาวะ๋ยวนี้มีไอติเลกิาฟูนูตูดด้ยามีดบาโกบาโตแก่ถึงเจอไอโอดินอย่าเหลืองอย่าแดงมีหมองผ้าประตูปิดแต่ก่อนไม่มีอะไรเลยก็ย้อมใบเชือกใบ สอบเสือปิดเถื่อนี่ก็ยังใช่อยู่นะสอบเสือถ้าเป็นเถื่อไม่มีถ้าปิดเผลก็เอายอดเชือกเขี่ยวเขี่ยวมาปิดเลยปิดไว้ปิดไม่หลดไม่โล่น ีกว่าผ้าปิดแผลแต่เลี้ยงวัวเลี้ยงควายปานปายาปานอะไรไม่มีหลุดเรากลับมากลมากลับบ้านเขาน้าล่างอุ่นๆล่างก็ใส่มาอีกเตรียมตัวเป็นเลี้ยงวัวเลี้ยงควยายตายาำไรทำนาตายทุ ว, วันนี้มีเอติเลกลาพูเกิดขึ้น อาหาก็มีสังฆปัตังในิมุนทานังป ก, กงติกังอุโบสถติกังมีคนช่วยเหลือที่วา่าใสก็มีคนช่วยเหลือชีวัก็มีคนช่วยเหลือแตไก่อนก็ต้องไปซักบางสกุลผ้าห่อศพป่าชาผีดิบ <c oughs> ประเทศอินเดียมีผ้าห่อศพมากที่สุดเลย คนตกน็ไม่มีไม่ทําหีบสุขเอาผ้าเขาขาพันพันฑจนแบกเป็นถามได้วิธีพันฑ์เขาก็มีก็ได้ไปบริจาก้าพันฑ์บอยู่สถานี่รถไว้ไปกินเดียสมัยปีหาล่อสิตกษ คนตายนอนดำปีเหมือนไม่คนอดข้าวอดน้า ม, มาได้กินข้าวกินน้านอนตายอยู่ตาถานีรถไฟหรือเตีดหนังหุ่งกระดูกเขาก็ขึ้นป้ายว่าศกนี้ยังไม่มีผ้าหอ่อก็เลยไปบริจาคซื้อผ้าเขามาห่อดูเขาห่อแล้ว โอโหอ้วิธีออหอเขห่อเดียงพันไปพันมาพันไปตั้งหัวพันมาตังขาปิดหัวปิดขาพันกลับไปพันกลับมาพันกลับไปพันกลับมาจนยกขายกหัวแบกแข่งติ้งเลยแล้วก็แบกไปถามไปฝั่งแม่น้ำคงคาเพื่อเตรียมเผามีแต่ผ้าหอ่อวาง เป็นแถวอยู่ฝังในน้ำของขาไม่มีเห็บศพเวลาพระสงไปหาผ้าจีวรก็ไปหาตามที่นั่นแหละสักสบังสพคนก็ซักเอาผ้าห่อศพนั่นแหละซักมันก็ไม่ได้ไม่ได้จับศพไปทางซักไปส้นหนึ่งก็มันก็จิ้งศพก็จิ้งไปจิ้งมาจิ้งไปจิ้งมา จิงไปจิ้งมาศพก็ไม่จิ้งแต่พื่อเพื่อเขาห่อวธีหก็ห่อแล้วไปจบก็จิ้งก็ไปกลับมาก็ไปเอาส่วนไหนที่มันดีส่วนที่ไม่ดีที่เปื่อเพื่อนเลื่อเพื่อนน้องก็เอาทิ้งไปตัดทิ้งไปแล้วมาเย็บเป็นจีวรพ่จะได้จีวรทุกวันนี้ไม่ได้ทำอย่างนั้นอติ๋เล็กลาภูเกิดขึ้น สูงเหมือนกับปาจีกังโกช้ ย, ยังพลังสาหนังผังกลางมีทั้งผ้าไหมมีทั้งผ้าผ่านผ้าป้ายผ้าคำนพนผ้าเสริมเหลี่ยมต่างๆซื้ได้ผมได้ไม่พิษเจ้ก่อนอธุยากกว่านี้ตะโลก่อนมากมาย สิ่งผิดทรรมากมายว่านตําเน่ตีเตียนมากวมายพระเจ้าก็ยิ่งเข้มแข็งพระสงฆ์ก็ชิมแข็งหัวศุกวัชิกาเข้มแข็งก็งาากางาอาบน้ําก็ไม่มีสมัยก่อนเวลาฝนตกก็พระสงฆ์เปืยกายอาบน้าําำนางพิสาขามาเห็นเข้า มาเห็นเข้าว่าจะมาไปแต่งงานเพื่อนกลับมาหาแวววัดกราบพระพุทธเจ้าเห็นว่าสงอับน้ำเออปลยกาเกกรบกราบพระพเจ้าก็กราบทูลว่าพระสงฆ์สมัยไม่นผ้าอาบน้า พ, พุทธเจ้าบอกว่าไม่มีผ้าไม่มีพนางวิสาขาจึงเสนอว่า ขอถวายพระอาบน้ําฝนได้ไหมพระเจ้าจึงอนุญาตให้วิสาขาถวายพระอาบนา้ำฝนในพระสงฆ์ในฤดูเข้าพรรษาฤดูฝนนี่เพราเราจะมีผ้าอาบนา้าฝนเราตัววันนี้ แ, แต่พรากะทินก็นางวิสาขาเป็นผู้เสนอพระเจ้าขอถวายผ้ากะทินในช่วงการออกพรรษาแล้ว เพราะนางวิสาเก่าเย็ น, แ ล, ออนแล้วก็สงสารกับพระุทธเจ้าออกพรรษาแล้วก็คิดถึงพระเจ้าก็มากาบเดินทางไกลๆไม่มีรถไมีลาการเดินทางการนี่ผ้ามันขาดนะสบงนี่เยเดินทางสบงนี่ขาดปดนะิดหนึงหัวนี่ก็ขาดที่มันผ่านผ้าผ่านขาสไปหา้าหาาไปหามาก็ขาด เอาวัถึงพระเจ้าเขากราบพระเจ้าพนางวิชาขกรอยู่ในที่นั้นกำลังสนหนากรพระเจ้ า, ยาอยู่เพอาะสงเดินทางมากราบพระเจ้าก็เห็นผ้านุ่งผ้ากัดกากันทุกลูกแล้วมันหวังปิดตั้นวลปิดตั้ง น, น, งนี้ต้องไม่อยู่เป็นสุขเอาทั้งที่มันกราบมาไว้ตรงนี้เอาที่มันดีมาปิด ต, ตรงนั้นตรงนี้แล้วมันหวังอยู่เสมอ ท้าไม่ละมัดนะวางมันก็มีผ้าขาดถึงนส่วนที่อาโป้ขึนมาเบลกิเอไ ม, ไม่ไม่สบาย ไ, ไม่เป็นสุขเ่็นผ้าขาดๆล า, างวิสาขาอย่างว่าถมว่ามีผ้าหรือไม่มีบาวิสาขาได้ก็ถวายผ้าวีวรณเสีพระสงฆ์ ในการสามเดือนในการหนึ่งเดือนเอนักแต่แดงครับหนึ่งเดือนเว็ถึงก่อเดืนสบสองน่ถวายผ้ากริินเนี่ผ้ากระินขึ้นมาจนทุกวันนี้ถ้าไม่เช่นนั้นเราก็ต้องพยายางห า, าพระบ้องสุคุณอัเลกรลาโพเกิดขึ้นก็สะดวกมากขึ้นอะไรที่มันยุ่งยากแทบจะไม่มีในเรื่องการใช้ปัจจัยสี่ เราเท่ากันมีบ้างแต่ว่าเล็กๆน้อยใไปถึงกับสาวบ้านชามามาร่วมปฏิอลัลชีเกิดขึ้นมาแทรกแางพระพุทธศาสน า, สาเหมือนทางพูะเจ้าไปนนส่วนิกะกรรมผลบุกเบิกเจ้าญไดะนะ หกคนดอ ง, ดงสมัยนั้นบางทีก็มาปลอมวดมเป็นเห็นในหมู่พระสงฆ์ไม่เหมือนกันบางทีก็มาทำลายพู้เจ้าบ้างนางกิจินางกิจิเมริกาท์่ถ้าเอาถูก เัาอะักคีย้างมาหลังเผนทำหลายพระเจ้าผู้เชิงสัท่าเดินเข้าตดินออกวิเชตวันทุกวันตอนเช้ามืดก็เดินออกจากวัดตอนเย็นก็เดินเข้ามาคอยก็เห็นหลายวันเข้าก่อสัท่าโอโลกพัก หกน้ำใส่ท่องหกุ่งผ้าถุงสาท่ามีท่องมีคันเอินออกไปออกมาอยู่ในวัดก่ก็ถามว่ามันมีท่องไงแต่งานต้นหรือก็อดูเอาเนี่ยฉันต้องอยู่ตรงนี้อยู่ในวัดนี่ตลอดเวลาอยู่กับพายอยู่กับพุทธเจ้านัา่นแหละไี่มีคันเนี่ยพเพ่อของเด็กไปพุทธเจ้านัา่นแหละ ก็เล่าเลยกันใหญ่เลยจนเรื่องมีเราเกิดขึ้นก็มาพูดกันพูดเจ้าขอบนพระเจ้าประสิฐที่กุศลก็พระเมืองทั้งหลายพระเจ้าว่ามีแต่เราสองคนที่ลูกจากกันมีแต่เธอกับเราที่เท่านั้นก็ติะเป็นเาไปลูก นี่จเราสองคนรู้จากนางก็อายอายก็หลงสติก็แจ้ท้าถุงนุ่งใหม่ก็เห็นฝักท่องฝักมแฝกดูดลงจากขันจากท้องเฮ้เอาไล่ไปสีเม่แต่พระเจ้าองค์ก็มาถือว่ะทักว์า อิจฉาบาเมียดเปียนปล่อยชาติหลายิลิงบอาว่าเจ้าชาติศัตรูเวลาไปเป็นทบทบาทพระเจ้าออกหน้าพระเจ้าชาติศัตรูกับเทวดารวมหัวกันวางแขนทำลายพรเจ้าปล่อยชาติหลายชิลิงในขณะที่เป็นทบาทชางิศึกช้างิตเวลาเป็นทับทบาทพระเจ้าก็เรินออกแถวอ ช่างวิ่งกันมาจะชนพระเจ้าพราะนนเดินตามหลังรีบออกไปข้างหน้าให้ช่างชนตัวเองไปตั้งหน้าพระเจ้าอย่าเที่ยวเห็นหน่าราชิลิงก้าเจ้าบุญลังอธิมัตถปูตังแล้วสวดคุณพระผันพระผันฉินจนได้สวดช่างก็ไปชนอี สมัยก่อนกนะ่อนนะเดี๋ยวนี้ไม่มีใครปล่อยช่างชนหลวงพว่ <c oughs> อขุมเพลย์เอออยู่ศกหน้าศกนะแล้วมีโอกาสปฏิบัติธรรมนี่โดยตรงโดยตรงหลวมอจะเดินสติกันนี่อะไรเกิดขึ้นก็นเราสติเั่านั้นสติเท่านั้นศุกก็สติแต่หมารู้สักตัวมีใช่ไหมอะไรที่ไม่ใช่สติมันเกิดขึ้นมา ต้องเห็นสุขก็ต้องเห็นทุกข์ก็ต้องเห็นต้องมารู้จักตัวรู้จักตัวรู้จักตัวต้องนั้นง่ายงายอย่างนี้ตามด้ทุกคนนะอะไรเกิดขึ้นมาก็รู้จักตัววิธีทำมาถามทำไมเกิดกลุมรูปตัวมีอุปกรณ์ทำไมเกิดกลุมรูปตัวอย่างฉับพันเมื่อเคลื่อนไหวดูมีกายมีจิตใจบรรยากาศอยู่เป็นประจำเนี่ยหลักมันอยู่ที่ กลับมารู้จักตัวกลับมารู้จักตัวด้วโอกาสของเรามีแล้ววันได้ไปหาวิธีนั่นหาวิธีนี้จะบินถ้บบาบัดในนู้นวันนี้ไปโคกมากไม่มีอาหารชาวบ้านไม่ใชยบาททุกวันนี้เดินตามสายเส้นเดียวเส้นเดียวเส้นเดีย ว, เ ด, ยวเดินไปเดินไปเดินไปบางที ก, ก็ก็เรียกตามนั่นนี่วนล ง, อนนลงอคอนวนลงคอแต่ก่อนต้องไม่ได้แนละ้ว อดีต้องไปยืน <c oughs> ไปโน่นไปนี่ว่าไม่ได้จริงก็ไปอคอกมาไปอคอกมาเอาเข้าวผุนกอดมาต้มกินวันนี้ของดีดีเทาไม่ดีเมาให้วัดล้วไปทำอะไรพวกเราประมาทรือสุขสบายแล้วประมาทรือ กินแล้วนอนหรือสันเช่ารถเองหรื อ, เ, อ, รอเป็นแล้วนอนหรือบ่ายจัวัดหรือดึกๆโทรทัศน์หรือชัดมากๆหรือเขว่ากันอย่างนั้นประมาทแล้วก็อ่อนเยนะให้เอาความสะดวกเพื่อฝึกตนสอนต น, นให้เป็นสถานที่ฝึกจริงจริงวัดว่าลาม พวกเราเป็นมิเป็นเพื่อนกันไม่ที่อยู่นู่นพระสงอยู่นี่อุปสมบอยู่นู่นอยู่ด้วยกันเนี่ยแล้วมองตัวเราดิสิมันตลลอยนะชีวิตเราเนี่ยสี่ชั่ววันมันก็ไปแล้วนะไม่มีอีกแล้วนะอะไรที่เราจะต้องทำหวังอะไรอีกนี่กรรมฐานนี่สละใจนี่ เพื่อการนี้ชีวิตของเราอย่าเพื่อการอื่นเป็นนักบวชจะไปคิดถึงบ้านถึงช่องอวัดก็อย่าไปคิดถึงบ้านถึงย่องไม่ต้องเกิดไายขึ้นมาแล้วหวังสิ่งที่มันเกิดกับใจทุกข์จะได้ดีต้องมีสติมาเกิดอะไรขึ้นกับรูจิตตัวเกิดไหลขึ้นกับรูจักตัวองค์ ก, กายเกิดขึ้นกับรูจิกตัวทางใจเกิดขึ้นกับรูจักตัว เอาลงที่รู้จักตัวมาลงที่รู้จักตัวนี่จึงจะเป็นการเดินไปมักู่ผลถ้าอะไรเกิดขึ้นไม่รู้จักตัวพิดบ้างทูกบ้างเปอย่างนั้นเปอย่างนี้ไปมักไปผลอะไดสร้างมากักสร้างผลเกิดขึ้นมาได้การสร้างมากสร้างผลที่เกิดขึ้นใ้เป็นมักไปผลตรงเนี่ยเป็นอยู่ที่นี่อะไรเกิดขึ้นมากลู้จักตัวมันก็มีกายมีใจเท่านี้ ที่เกี่ยวข้องกับกว่ากับใจที่ถูกต้องคือความรู้สึกตัวคือความรู้สึกตัวเดียให้มีโอกาสทำแต่นี้กันให้เต็มที่อย่าเบียดเบียงกันอย่าทะเลาะวิวาสกันอย่าทำอะไรให้เกิดปัญหาขึ้นมาให้ช่วยกันแก้ปัญหากับตัวเองเราช่วยคนอื่นแสดงออกทั้งการช่วยเหลือมีน้ําใจให้ทำบุญไว้ก่อนเพื่อจะได้ตรวจน้ําเรามีนี่ เราเป็นนี่พ่อแม่ให้เราเกิดมาตอนนี่ธรรมชาติแผ่นดินแปะป่าไม้แม่น้ำอากาศเราเป็นนี่สิงแวดล้อมเราเป็นนี่ ท, นนทุกทุกอย่างที่อยู่ในโลกเราต้องใช้นี่ทำความดีตอบแทนแล้วไม่ใช่โจรพูดลอย ให้เป็นส ม, มณะผู้สงบผู้ทำความดีละความชั่วเป็นนักบวชบวชบ่อยไม้โบแหวนชอช้างหนีจากความชั่วไปสู่ความดีนี่คือตัวสตินี่มันหลงลู้สึกตัวนี่หนีความชั่วแล้วสู่ความดีแล้วอะไรเกิดขึ้นมาลู้สึกตัวนี่ละหนีความชั่วสู่ความดี อะไรเกิดขึ้นนี้มันมาอยู่ที่รู้สึกตัวรู้สึกตัวนั้นละความชั่วทำความดีคิตจะบริสุทธิ์ไปในตัวเฉดเมื่อทำอย่างนี้นานๆเขาเกิดชินเกิดสมาธิเกิดปัญญาเกิดยานเกิดมักเกิดผลขึ้นมามันไม่ง่วงไม่งามหรอกมันจบได้มันจบได้มันหมดได้ความชั่วที่เกิดกิดกว่ากับเจริญมันหมดได้จริงๆ จนถึงความเกิดความจอะความเก็บความดอยก็จบลงได้สิไม่มีใครเก็บไม่มีใครเจอะไม่มีใครตางรูปนามความปังชาติอาการที่มันเกิดขึ้นกับรูปนามมันเป็นอย่างนั้นมันไม่มีตัวตนที่ไปอยู่ช่นนั้นมีแต่เห็นมีแต่ il, รู้สึกตัวรู้สึกตัวอาศัยกาอาศัยใจอาศัยรูปใช่นามนี้เพียงรู้สึกตัวการรู้รสึกตัวหนึ่งใช่กายใช่จะถูกต้องที่สุด ถ้าไม่รู้สึกตัวไปหลายอย่างกิเลสวันหน้าตานาหน่อยแปดนะเกิดขึ้นที่กายที่ใจของคนเดียถ้าไม่รู้สึกตัวสารหัดอย่างที่มันเกิดขึ้นมาผลรักเป็นคนจังหรือใจเฉยจสุรุก้างมายเกิดขึ้นได้หลายอย่างก็เพึ่งตัวเองมาได้เลยเอามาเป็นสุกเป็นทุกไม่ให้โอากาสมาเป็นจุกเป็นทุก เอามารู้จักตัวนี่พิธีปฏิบัติเริ่มต้นขอตั้งคิดกันมาเอามาเป็นเรื่องความรู้จักตัวนี่สำหรับทุกวินาทีรวมรู้จึกตัวหนึ่งวนันสองวันอยู่ทุกวินาทีวินาทีจึงเป็นหนึ่งวันหนึ่งชั่วโมงวินาทีวินาทีให้โอกาสกานแต่การเต็มที่ มีใครก็ช่วยเหลือกันเตรียมช่วยกันตัวมช่วยเหลือกันแล้วกันในเต็มที่สุดความสามารถไม่ปล่อยกันทิ้งเด็ดขาดให้อุ่นใจอย่กว่าไปไม่มีใครหลังเียกันมองกันแบบญาติมิตร ไม่เคยเห็นกันก็เห็นกันมาเป็นเห็นเป็นญาติมาก่อนแล้วส่วนเพื่อนเกิดเจ็เจ็บตายด้วยกันนี่คือความเป็นอันเดียวกันไปทําให้กันเดือดร้อนทําไมทำให้ตัวเองเป็ทุกข์ทำไมทําให้คนอื่นไปนทุกข์ทำไมไปทำให้วัตถุอื่นสิ่งอื่นไปทุกข์ทำไมแม่แต่ใบตองก็ไม่เปลี่ยนนะั้น วันปนนั้นแล้วอยู่ป่าทางเดินอ่งกรมก็ทำไว้ให้อย่าไปกวดไม่ตองกวดตรงนู้นทางก็เหมือนกันระวังโลกเห็นก่อนดินที่่นตกห ร, รือโวงพ่อห น, น้าแรงฝนไปตกแงขวดมากทางกเก็นห้วยเลยนะ้าไม่กวดน่ย มันฉางกวดดินกวดอะไรออกหมดมีใบไม้ก็ไม่เป็นไรไปเหยียบไปก็เป็นพรงไปเลยก็ได้ถ้ากระดาษถ้าถุงพลาติกควรจะระวัดระวังอย่าให้มีใบไม้กับกดินนี่มันมันมันอาศายกรนถ้ากวดก็ไม่กวดตอนอ่อน ไม่ออกแต่ใบตองประเทศที่เขาจเจริญเขาไม่มีไม่กวดนะก็มีเรื่องดูดเรื่องดูดดูดไปตองดูดแล้วก็เอาไปตองไปบดบวดหล้วพ่นเข้าป่าเขาห้ามเผาพ่นเข้าป่าเกียงไหม้ตกลงมาเขาก็ไม่ เขาไม่ทาอะไรหมดหมดบางทีเขาปดเป็นปุ๋ยเราไปใส่ต้นไม้ใส่ต้นดอกไม้เขาไม่มีภุยในประเทศที่พัฒนาแล้วเขาบดใบตองปดกิ่งไม้ที่มันหักมาแน่ของปาเราไมีเครื่องบดแม่เขาตัดต้นนูโน่นถางเขาก็ไม่ทำไม่ไม่ทําเหมือนบ้านเราก็ามีรถสี ยาน ใ, ใหญ่ๆขู่นี่ทุบบนไมลงมาโย่ลงมาตดม า, ม, าม้วนมาใส่รถสีรถสีก็ดิ่งก่อยไปมาม่วนใส่รถสีรถสีก็ใส่ท่อน ใ, ใหญ่ๆแต่มันใส่ตน้นใ่เครื่องสีเขาจะปนหุ่นเข้าไปป่าในตรงนั้นใครชาวบ้านต้องการถึเอารถมาเทียบ เขาก็พ้นสสยรดให้เต็มรดไว้ใส่ต้นไม้ไปทำปุ๋ยแล้วไม่มีใครมาเขาก็พ้นเขาป่าวููวูวูไม่เห็นต้นไม้จากต้นนู้นเขาตัดทางอันนี้แผ่นดินประเทศไทยเสียหายเพราะเผาเพราะผู้ไปร่วมทางกัน เสียหายเพราะขวดไม่ขวดเฉงเฉงลูกขวดลูกเข็นเดินหนีหมดเลยก็อละมัดละวางอ่ะวันนี้ก็สำความใจเวลา